ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่88โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีซีดีแผ่นที่88ให้คติธรรมหัวข้อว่าปะโยชะเยรรมิกัง โสวนิชังพึงประกอบการค้าขายที่ชอบทมอันนี้เราพูดเรื่องการเป็นอยู่คนเราเกิดมาทั้งถีชีวิตต้องอย่างน้อยก็ต้องมีการค้าขายการทำมาหาเลี้ยงชีพมีผลผลอะไรออกมาเราก็ต้องค้าขายแต่ถ้าว่าเราค้าขาย สิ่งที่ไม่ชอบทำก็ทำให้ตัวเองมีความทุกข์กายทุกข์ใจในอนาคตเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่น า, านว่ามิจฉาวาณิชชามิจฉาคือมิจฉาชีพวาณิชชาคือการท ร, รมาค้าขายเป็นวานิชอันนี้ใครพวกเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธมีอยู่ห้าอย่างนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านการทํามาค้าขายก็ให้ชอบธรำถ้าเขาว่ามีการค้าทำมาค้าขายชอบธรรมและมีแต่ความสุขออถึงจะไม่ร่ํารวยก็สุขใจขึ้นนึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรใจของเราก็สบายเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญบารมี ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดยอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทิด